นิทานเรื่องโลกสีเขียวของเศรษฐีเรื่องมีอยู่ว่ามีมหาเศรษฐีคนหนึ่งเขามีอารมณ์รุนแรงตลอดเวลาพอมีอารมณ์รุนแรงเกิดขึ้นก็ปรากฏว่าเขาเกิดอาการปวดศีรษะเขาไม่ชอบอาการนี้เลยแล้วเขาก็รักษาตัวเองไม่ได้สักทีหนึ่ง เขาเลยประกาศออกไปว่าใครที่สามารถช่วยเขารักษาอาการปวดศีรษะนี้ได้เขาจะยกสมบัติให้ครึ่งหนึ่งเลยใครต่อใครอยากจะได้เงินได้ทองก็เลยเอาอะไรมาให้เยอะแยะยาสมัยใหม่ยาแผนโบราณยาสมุนไพรก็สามารถช่วยให้อาการดีขึ้นชั่วขณะแต่พอเกิดอารมณ์รุนแรง อาการปวดศีรษะก็กลับเข้ามาใหม่ไม่สามารถที่จะรักษาได้แบบหายขาดจนกระทั่งวันหนึ่งมีฤาษีท่านหนึ่งมาหาและบอกว่าง่ายนิดเดียวถ้าอยากจะให้อาการปวดศีรษะหายไปจงมองแต่สีเขียวอย่างเดียวอย่าไปมองสีอื่น สีนี่นะคะมีอิทธิพลต่อจิตใจของเรามากดอกอรอาจองค์ท่านเล่าว่าที่โรงเรียนของท่านนะคะเด็กเข้ามาใหม่ๆในชั้นปหนึ่งเนี่ยบางคนก้าวร้าวมากเลยบางคนเอะอะโวยวายทลายสิ่งของสมาธิสั้นท่านก็หาโต๊ะของนักเรียนสีเขียวให้เขานั่งปรากฏว่าเขา ใจเย็นลงสีเขียวเนี่ยนะคะช่วยให้จิตใจสงบแต่เด็กบางคนนะคะและคนไทยหลายคนกลัวโน่นกลัวนี่ท่านบอกเวลาท่านพูดกับเด็กเนี่ยเด็กจะม้วนตัวลงไปเลยหลบสายตาไม่ยอมมองเราและไม่กล้าที่จะพูดท่านก็หาโต๊ะสีแดงให้เขานั่งปรากฏว่าโต๊ะสีแดง มันกระตุ้นอารมณ์ทำให้เขารู้สึกคึกคักขึ้นกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นเพราะฉะนั้นสีเนี่ยค่ะมีอิทธิพลจริงๆถ้าเรานะคะไปเยี่ยมคนไข้ในโรงพยาบาลโรคจิตเราจะไม่เคยเห็นผนังสีแดงเพราะทางแพทย์ก็รู้ค่ะว่าถ้าทาสีแดง คนบ้านะคะยิ่งบ้านหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเขาจะทาสีเขียวอ่อนๆและท่านบอกว่าท่านก็เคยทดลองนะคะสมัยที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเวลาท่านอยากจะจัดงานปาร์ตี้ให้มันคึกคักอยากจะให้เขากระโดดโรดเต้นอยากจะให้เขาเต้นรำท่านจะใช้ไฟสีแดงให้มันวูบวาบอยู่ทั่วห้อง ทุกคนก็คึกคักกันใหญ่แต่บางครั้งท่านอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยนั่งสงบนิ่งท่านก็จะได้คุยเรื่องธรรมะเรื่องดีๆท่านจะใช้ไฟสีเขียวสีน้ำเงินทั่วไปหมดปรากฏว่าทุกคนก็นั่งนิ่งๆอยากจะอยู่เฉยๆและพูดคุยธรรมะกันได้ทีนี้กลับมาที่เรื่องของเราค่ะ มหาเศรษฐีคิดในใจนะคะว่ามองแต่สีเขียวอย่างเดียวโอ้ยง่ายนิดเดียวท่านก็จ้างคนทาสีเป็นร้อยรอยคนเลยค่ะทาสีทุกบ้านในหมู่บ้านแล้วก็แจกเงินให้ชาวบ้านพวกเธอทั้งหลายไปซื้อเสื้อผ้าสีเขียวมาสวมใส่เสื้อสีแดงสีอื่นๆอยาพใช้ไปเก็บไว้ในตู้ หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็กลายเป็นสีเขียวจิตใจของท่านเศรษฐีก็เงียบสงบลงอาการปวดศรีรษะก็หายไปมีความสุขมากวันหนึง่งฤาษีก็กลับมาเยี่ยมพอมาถึงหมู่บ้านก็เจอช่างทาสีวิ่งไล่ตามบอกว่าท่านน่จะเข้าไปในบ้านของท่านเศรษฐี แต่งชุดสีน้ำตาลอย่างเนี้ยไม่ได้ขอทาสีก่อนวิ่งไล่ตามมาฤษีก็ตกใจวิ่งหนีเข้าไปในบ้านของเศรษฐีและก็ต่อว่าว่าทำไมอ่ะทำไมจะต้องไปเปลี่ยนทุกคนทำไมจะต้องใช้เงินใช้ทองมากมายในการเปลี่ยนหมู่บ้านให้เป็นสีเขียวถ้าท่านนะอยากจะเห็นสีเขียวตลอดเวลา หาแว่นตาสีเขียวมาสวมใส่ท่านก็จะเห็นแต่สีเขียวรอบตัวนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญค่ะถ้าเรานะคะอยากจะมีความสุขอยากมีความสงบเราไม่ต้องไปเปลี่ยนคนอื่นทั่วไปหมดหรอกค่ะเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเองเวลานี้เราได้แต่ชี้นิ้ว นั่นเลวนั่นไม่ดีเราชี้ไปที่คนอื่นตลอดการแก้ก็ต้องไปเปลี่ยนคนโน้นคนนี้สังเกตดูสิคะเวลาเราชี้นิ้วว่าคนอื่นมันมีนิ้วอีกสามนิ้วชี้กลับมาที่ตัวเราเพราะฉะนั้นจงมองดูตัวเองพิจารณาตัวเอง แก้ไขที่ตัวเองไม่ต้องไปแก้คนอื่นเพราะพอเราเปลี่ยนตัวเราเองคนรอบด้านตัวเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงถ้าเรายิ้มให้กับเขาเขาก็จะยิ้มให้กับเราค่ะ